มลสันไปสบายสบายครับแล้วก็ฟังไปด้วยครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเพราะเราประหยัดเวลาให้เวลามันเหลือมากขึ้นถ้าเราสันแล้วยังไปแสดงทำเวลามันหมดไปแสดงให้ผมผมสันนี่เองดังนั้นวันนี้เป็นวัน เ, นนเสาเออนี่นะวันเสาร์นะวันเสาร์ที่สามเดือนมกราวันที่สามแบบนี้ปีใหม่เข้ามา เ, เรามาเจริญสติมาเจริญปัญญาหรือมาเจริญสมาธิเราพูดกันคำว่าสติสมาธิปัญญานี่มันพูดยากแต่มันก็สบายบุคคลที่รู้แล้วพูดแต่คนที่ไม่รู้ พูดยากฟังยากแต่เพียงไปจดจําออกกับตำราว่าสัญญาสติสมาธิปัญญาพูดกันอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นสัญญาที่ไม่ใช่เป็นสัญญามันเป็นสัญญาที่จำมาไม่ใช่เป็นสัญญาพูดอย่างนี้ก็อิกแน่เดี๋ยวนยุ่งเข้าไปไม่ใช่เป็นสัญญาจริงๆแต่สัญญาอันนั้นมั น, ม น, มนไม่มันไม่เป็นสัญญาของเรา สัญญาอันนี้มันสัญญาอย่างไงคนนั้นพูดคนนีู้้ก็จํากันมาเท่านั้นเองสัญญาขวอมหมายรู้จําได้ไม่ใช่เป็นสัญญาอันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นอย่างที่หลวงพ่อถามลูกนามทุกคนว่าลูปว่านามแต่ไม่ทราบซึ่งเนี่ยจริงว่าสัญญาคนละอั น, น, นคือสัญญาที่มันรู้จริงๆเป็นสัญญาจริงๆนั่นคือมันรู้ว่าเออลูปนามอรูป ก, กับนามเนี่ยเราเคยพูดกันก่อน รูปคือตาเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาเราเข้าใจนะเป็นรูปน้ํามคือจิตใจเนี่ยเข้าใจอย่างนะเมื่อมาสัมผัสเข้าจริงๆ ร, รูปกับนามมันใกล้ชิดกันที่สุดเรียกว่ารูปนามนั่งอยู่นี่เป็นรูปเป็นนามนะรูปนามอันสิ่งที่รู้ขึ้นมานี่ยมันเป็นอีกเรื่องอนนอว่าสัญญาอันนั้นเรียกว่าสัญญาอันที่มันรู้ขึ้นมาจากธรรมชาติเรียกว่าสัญญาที่มันรู้รูปนามคือรูปนามมันสแสดงบอกว่า เราเป็นรูปเป็นนามนะสัญญาณกล ร, รูแต่สัญญามันรู้อยู่แล้วแต่มันไม่ยังไม่ทึงระบุออกมาเนี่ยเรามาเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นจะว่าทำคมรู้สึกตัวตื่นตัวทำคมรู้สึกใจตื่นใจให้มากการพูดการคยกันนั้นหลวงพ่อเข้าใจนะนึกว่าเรียนรู้มามากแล้วนี่อยู่ที่นี่ถ้าถามเป็นตัวบุคคลนะ่ะหลวงพ่อเข้าใจว่าปริญญาปีนี่คงจะน้อยา่าจะเป็นปริญญาโทมาก หรือปริยายเอกคนยังมีมากอยูน่นะอยู่ที่นี่้าทรงองค์เจ้าก็เหมือนกันคงจะเป็นนักทมตีนักทมโทนนักทมเอกเป็นจางห้นหรือบางคนอาจจะได้เรลียนบาลีเป็นมหาประโยคสามประโยคสี่ห้าหกไปก็มีดังนั้นการพูดการคิดเนี่ยมันไปติดตำลาเลิกนะเลิกคมหลังที่เราจำมานะเลิกเอาวางไว้ก่อน เมื่อเรายังไม่เลิกคมหลังเรายังไปจําคําพูดที่มันมีอยู่ในตํำรับตาําราหน้าบรรทัดที่เท่านั้นเท่า น, นี้อือันนั้นไปติดอยู่บันออกจากตัวเราไปทั้งหมดเลยมันเลยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีสัญญาเข้ามาเลยมันมีสัญญาไปจําตัวหนังสือโ น, อน่นอยู่บรรทัดที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้นมันไม่ได้เป็นสัญญาอันนั้นแหละท่านผู้ลูกเร า, าอะอวิ ช, ชาแปลว่าไม่รู้เป็นความรู้ของอวิ ช, ชา ไม่ได้เป็นความรู้ของวิชานะอ่ะวิชาเปรว่าไม่รู้นวิชาเปลว่ารู้มันเป็นคาเดียวน่าใกล้เป็นที่สุดอะเปลว่าไม่วิชาเปรว่ารู้มันรู้มันไม่ใช่รู้อันมันรู้ออกไปนอกตัวว่าอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่รู้แต่มันรู้ไปรู้ไม่อยากรู้อันนึงหลพอพูดเป็นไม่เป็นรู้ไม่อยากรู้อันนึงคือไม่อยากรู้ตัวเรามันอยากไปรู้นอกตัวเราจะรู้ไม่อยากรู้สงบไม่อยากสงบ มันมันพูดยากแต่พูดให้มันกลับกันเพราะว่าอยากให้พวกเรากลับเข้ามาหาตัวเราหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังตัวตัวอะไรที่มันห้องอยู่บ้านเราหยุดกระเจเหงกันแล้วทับแก่นอืตัวอะไรตักแกนตักแก่แ ก, ก็สอนคนได้สอนปริยาเอกก็ไดนะ้ตัวแก่แต่ทําไมไม่รู้เนี่ยทับแก่ทับแก่มันให้แก้ปัญหาที่เราคิดออกนอกตัวไปมันบอกอย่างนั้น เออมนุษย์ทําไมเป็นอย่างนั้ น, นบอกมันตอนแก่มันไม่พูดอย่างที่หลวงขอพูดนี่ไหมอัปแก่อัปแก่คนไปตีเป็นเลขและบ้านนั้นเลขจี้ออกเจี้เท่าไรเนี่ยมันเข้าใ จ, ม, าใจมันคิดออกไปนอกตัวอันนั้นท่านบอกความคิดของอวิชชาไม่ใช่เป็นความคิดของวิชาความคิดอันนั้นรู้อันนั้นหีือว่าสัญญาไม่ใช่เป็นสัญญามันเป็นสัญญาอะไรผมไม่รู้แต่สัญญาจริงๆเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากกดของธรรมชาติ เมื่อสัญญาณเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติจริงๆท่านดีวกว่าศีลศีลมีอยู่ที่นั่นเองดีว่าศีลนั่นสามารถจิพาเคือนิจวะอย่างไรบ้านหลวงก็อดีเอากบไถ่ไหมเอาผ้วพาไปฝันไหมมันหนาให้มันบางเข้าในบ้านหลวงพ่อพูดอะไรเพราะหลวงพ่อไม่เคยได้เรียนหนังสือหลวงพ่อก็ต้องพูดเรื่องสมมุติอย่างนี้ดังนั้นคนเรามันเข้าไปในความคิดทั้งหมดเลยมันไม่ถอนตัวออกจากความคิด ไม่ว่าคนนั้นคนนี้ลวงก็ก็เหมือนกันเข้าไปในคมคิดคิดไปทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับก็มีนึกว่าตัวเองรู้จักคิดเนี่ยมันไม่ใช่รู้จักคิดมันไม่รู้คิดมันไม่รู้ผมคิดคิดลากเราไปคมคิดลากเราไปเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูตัวโ ต, ว ต, วตวแมวตัวเล็กเล็กแก่แมวมันไม่เคยกลัวหนูพอที่จับปุ๊บหนูมันเตือนมันก็วิ่งไปเลยแมวมันไม่ยอมวางหนู มันก็เลยติดควมคิดไปเรื่อยๆแม่มันเหนื่อยแล้วบ้างวางหนูเออเอาเล้ยไปแล้วบ้างเราไปโทษแมวบันเนี้อถือว่าอืทําไมจังไม่อยู่คุมคิดเนี่ยถือว่าไม่มีสติสักเราว่าไม่มีสติอยากให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเราต้องให้อาหารแมวให้อาหารแมวมากๆแมวไม่ได้กินอาหาร กินข้าวบ้านหลวงพ่อเรากินข้าวกินข้าวกินอาหารมากๆแล้วมันอ้วนมันโตขึ้นมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูเลยเป็ตัวเล็กมันก็ไม่เคยกลัวโตมันก็ไม่เคยกลัวพอดีหนูออกมาแมวกระโจนปุ๊บจับอย่างแรงหนูสอกตายคาทีเลยพวามคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสัญญาจริงๆแล้วนี่พอดีคิดพ่อหน้ากมามันจะคบจับปุ๊บ ผมคิดก็เลยไม่ไปได้ดีวยวอันนั้นตัวอวิชาสัญญาตัวนั้นจะไม่ดึงไปแล้วบนนี้นี่ว่าสัญญานี่ให้รู้จักว่าสัญญาเปรยความหมายรู้จําได้ทันว่าอย่างงเอมาแล้วนี่เห็นหน่อยเดียวสัญญาอันนั้นท่านว่าอย่างนั้นแต่เราก็เลยเป็นสัญญานายคอนายขอตัวหนังสือบรรทัดนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาอันนี้อันนี้ไม่ใช่สัญญาอันนั้นที่ว่าสัญญาคําเดียวเนี่ยแต่คนรู้จักว่าสัญญาความหมายรู้จำได้จะหมายรู้จำได้ทาไมคิดนอนไม่หลับเป็นบ้าไปทุก แค่จะตายจะถือว่าคนนั้นมีสัญญาไหมไม่มีสัญญาแต่มันมีสัญญาแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นสัญญาแบบที่พระเรลียเจ้าท่านสอนท่านว่าอย่างนั้นชื่อว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันดิมันไม่มีวิญญาณมันไม่รู้แต่วิญญาณมันมีอยู่แต่วิญญาณอันนั้นไม่ใช่เป็นวิญญาณอันนี้วิญญาณอันนี้กับวิญญาณ น, นั้นมัอนคนละวิญญาณแต่คําพูดว่าวิญญาณคือกันจืงอว่าคนตายแล้วถึ่งร่อ ง, องรอยจะเกิดที่นั้นร่องลอยจะเกิดที่นี่ มันก็วิญญาณส่วนใหวิญญาณที่ทัพุเที่ยหทัศน์วิญญาณไปเข้าไปรู้ท่นเองเข้าไปรู้ในสภาพสังขารเวทนาสัญญาอันนี้วิญญาณเจวารู้เลนู้ตัววิญญาณนีกส่วนหนึ่เนี่ยมันมันพูดกันมันไม่ค่อยรู้เนี่ยเป็นปรมาถ์แท้แต่พวกเรามาที่นี่เป็นนักศึกษานักเรียนในหลวงพ่อเนี่ไม่ได้เรียนนี่ยไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่ว่าพอที่จะพูดได้แต่ว่าพูดภาษาบ้านของพ่อ ดังนั้นคนไทยก็ต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากผิดไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่รู้อย่างนี้น้องก็รู้ไปอย่างที่รู้นั่นเองคนจี น, จนก็ต้องรู้อย่างนี้คนฝรั่งเศสก็ต้องรู้อย่างนี้จะเป็นเสื้อซาสศาสนาใดก็ตามถือละที่นิกายอะไรก็ตามนุ่งผ้าเสียแล้วก็ตามต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากไม่รู้อย่าง he นี้่คนนั้นก็ต้องแสดงว่าไม่รู้อย่างนี้มันพูดอย่างไหนกันมไม่รู้อย่างนี้เพราะมันไม่รู้อย่างนี้แต่มันรู้อย่างนั้น ยังว่าสัมมาทิฏฐิน่ยใครจะมาตัดสินให้เราไม่มีใครตัดสินให้เราเลยคนนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็พูดเอาเองเนี่ยแต่สัมมาทิฏฐิท่านว่าคนอื่นจะรู้ดีเท่าตัวเรารู้ตัวเราไม่ได้หลงพอพูดแค่เพียงแค่นี้เองเรารู้ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดรู้ตัวเรายัางเป็นตนําหนิเป็นแผลที่ลี้ลับคนอื่นมองไม่เห็นแต่เราสา ม, มารถที่จะมองเห็นได้อันนี้ก็เช่นเดียวกัน อย่างรูปเนี่ยมองเห็นด้วยตาเนี่ยแต่คนที่รู้จากรูปนั่คือใครก็เพราะสัญญามันมีอยู่ในนั้นแต่ว่าเราไปเรียนกํามารูปที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยจับทุกด้วยมืออันนั้นมันทุกแล้วแต่ว่ารูปของเราจริงๆตัวสัญญามันไม่มีมันจึงไม่รู้จริงเมื่อสัญญาตัวนั้นมันมีจริงพลิกมือขึ้นรู้สึกข้อมือลงรู้สึกเอียงไปอย่างที่รู้สึกเอียงมาอย่างที่รู้สึกอ้มอย่างนี้รู้สึกเหนยนี่ยสัญญาตัวนี้มันมีแล้วนี่ ความรู้อันนั้นแหละมากขึ้นมากคือแปลว่าสัญญาอนั้นแหละมากขึ้นมากขึ้นจะว่าอย่างไรก็ได้เนียมันก็เลยบอกตัวมันนี่รูปนามนี่มันจะรู้จักว่ารูปธรรมนามธรรมนี่ยมันจะรู้จักอย่างนั้นรูปโลกนามโลกนี่เป็นทุกขังนี่เป็นนิเจังนี่เป็นหน้าตามันจะรู้จักมาตามขั้นตอนของมันสิ่งนั้นเป็นสมมุติสิ่งนั้นะไม่ใช่สมมติสิ่งนั้นเป็นศาสนาสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาสิ่งนั้นเป็นพุทธศาสนาสิ่งนั้นเป็นบาป สิ่นี้เป็นบุญมันจะรู้มาตามขั้นตอนของมันเพราะมันมีสัญญาตัวนี้สัญญาที่ว่าเราไม่รู้ว่าสัญญาคืออะไรแล้วเนี่ยสัญญาความหมายรู้จาได้เด็กเด็กเขาก็พูดได้อย่างนั้นแต่เขาจะทําไมจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดรู้จักจริงๆมีสัญญาจริงๆแล้วเราไปทุกข์ทำไมก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีทุกข์อยู่เลยเพราะเราไม่มีสัญญานั่นเองคือสัญญานั้นมันไม่เห็นสัญญาไปไว้เห็นหรือมันเห็นแล้วที่จกจําได้ถ้าไม่เห็นเราก็จําไม่ได้เลยนี่น อย่างที่เหมือนเราที่เอาสมมติว่าอย่างที่เราจะไปสะพานกรุงทนนี้นะถ้าเราไม่เคยเห็นสะพานกรุงธนจะไปผูกไหมนี่ล่ะสัญญาตัวเนี้ยนึกว่าอ่ะมาแล้วทุกเจ้าทูกมาแล้วมักก อ, อกเทกหน้ามันดีเด็ดเนี่ยสัญญาเนี่เนี่ยสัญญาจริงๆริงโยสัญญาความหมายรู้จําได้อย่างพูดที่หงพอว่าเมื่อกี้นี้พอดีสัญญามาเนี่ยมักก อ, อกเทกเลยมัก อ, อกบ้านหลวพอดีะเฮียสิมักออกมา เนี่ยว่าโทษสามมันจะขึ้นมาเอามากอกขับโป๊เลยมันหายไปเลยเนี่ยสัญญาเนี่ยอย่ารู้หน้ารูตาเนี่ยสัญญาที่หมายรู้และจําได้ไม่ผิดเลยเออมาแล้วมาแล้วเอาโทษเธอจะว่ายัางไงก็ได้น่ะจะับหัวสุกลงก็ได้เลยแปลว่าเราอยู่เสียงอยู่สูงก็สัญญาแหละถ้าเราอยู่ต่ำก็สัญญาไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะสัญญาได้อย่างที่เราไปเรียนมวยเนี่ยอาสมมติหลวงพอ่อไม่ไม่ไม่ค่อยรู้หนังสือเราไปเรียนมวยเนี่ยทุกคนจะเป็นเซีนเปี้ยนใช่ไหม ในเวทียัยกษ์ชนะอันเป็นเรียนนําครูนะ่ะไม่ชนะเลยค น, นนั้นก็เรียนจากครูมาคนนี้ก็เรียนจากครูมาขึ้นเวทีก็ต้องไวหว้ครูเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนั้นยังเป็นมวยไม่เก่งไม่เก่งจริงๆมวยที่จะเป็นแซมเปียนได้ขึ้นขึ้นเวทีไม่ต้องไหวค้ครูแหลนะแบบนี้ี่ไม่ต้องไหวค้ครูที่จะเป็นแซมเปียนได้น่ะขึ้นเวทีไม่ต้องไหวค้ครูแกก็ต้องเรียนจากครูมาเหมือนกันพราะเคยสู้หลายเวทีมาแล้ว คู่ต่อสู้มาก็เออจะบซกที่ไหนดีนะมองดูค่าที<ม>คนนั้นโตกก่าเราก็ไม่พูดเล็กคนเราก็ไม่พูดคู่ต่อสู้เข้ามาก็ทําเฉยพอดีเอาซกมันซก็สหลุมตาทีเดียวเลยซกไปล่ลุมตานะี่ยเมื่อถูกหลุมตาแล้วจําเป็นมันต้องหลับไปหลับมันขยับเขามาเราต้องซกลุมตาเองคู่ต่อสู้ก็ไม่มีโอกาสที่จะสู้เราได้ถ้ามันซกแบบกับหลับตาเนี่ยซกไปอย่างนี้ตื๊ดแข้งตื๊ดันไม่สําคัญนะั่น ถ้าเอาล้มตาทีเดียวดับสนะเลยเนะี่ยเข้าไปครูโต้ตู้ซกลมตาทุกครั้งทุกครั้งเอ้าทีนี้ก็ซกล้มตาที่ยงกลังก็ซกล้มตาเนี่ยครูไม่ไม่ได้บอกเลยซกล้มตามานะครูไม่ได้สอนเลยเนี่ไม่เป็นอย่างนั้นจ้ะครูสอนแต่ว่าเอา้าซอกลงที่นั้นเข้าลงทีนี้เอา้านอกที่นั้นเนี่ยมันพูดกันไปแบบนี้ที่หลวงพ่อพูนี่คือไม่ได้พูดอะแบบเอา้าพอจีครูโต้ตู้ก็มาเฉยมองที่ไหนสําคัญกว่ากันเนะี่ยล้มตาล้มตาทีเดียวมองที่มันมาล้มตาเนี่ย ผู้ต่อสู้มันก็ะเจาะเอาลุมตา ท, าทันทีนี่แหละสัญญาจริงๆผู้ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้โสดะโมฮะโลภะมจิมาโดวยวิธีใดสกตามันทีเดียวเลยผู้ต่อสู้มาไม่ได้ถ้ามันสู้เราก็มันก็สกแข้งสกขาเท่านั้นเองเราต้องพยางกดหัวมันไว้ได้อันนี้เรียก ว, วิปัสนาญาปัญญาลู่แจ้งลู่จิงมันไวขนาดนี้สัญญามีแล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาทีนี้ก็ไปเรียนอยู่ในบรรทัดนั้นบรรทัดนี้ พระพุทธเจ้าแปลว่าอย่างนั้นยันอ้าวเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนเรื่องของท่านเนี่ยเราก็ต้องสอนเรื่องของเราที่ท่าเราจริงอะ่ะอันนี้มันไม่จริงมันไปติดตำลาสักเราก็เลยไม่ได้มีวิสาขุมรู้ตัวเราจริงจริักอันที่หลวงพ่อพูดเนี่ยให้เราศึกษาขุมรู้สึกตัวเนี่ยอันขุมรู้สึกเรียกว่าสัญญาว่ารู้สึกตัวก็ได้ว่าสัญญาก็ได้ ว่าสมธ า, สาธิก็ได้ว่าใจตีก็ได้ว่าอย่างไรได้ดั่เป็นเรื่องสมมุติอย่างว่าให้รู้จักจริงๆเนี่ยสมมุติบัญญัติปรมาัดบัญญตัติอัฏฐบัญญตัติอริยะบัญญัติสมมุติพูเท่านั้นเองอย่างแก้วน้ําเนี่ยก็สมมุติขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติแต่มันเป็นปรมาัดในตัวมันเยิ่งว่าเราไม่เข้าใจคําพูดของพระพุทธเจ้าบานิชกพูดแล้วอยู่ในประเทศอินเดียร้อยแปดละทิร้อยแปดมีกาย ร้อยแปดอาจารย์เราจะถือว่าใครพูดจริงพราพุทเจ้าก็ไม่ใช่ว่าไปบังคับพวกอาจารย์เหล่านั้นมาให้เสื้อตัวเองทั้งหมดไม่ได้เพราะเขาก็เป็นทิฏฐิอย่างนั้นอา้าวพูดกันใกล้ก็ได้แต่ไม่ใกล้ใกล้นั่นในทิศอินเดียเป็ย่างไม่รู้นั้นเนี่ยพูดให้ฟังทุกเช้าทุกเียนทุกเช้าทุกเย็นมันก็ไม่รู้มันมีแต่คิดกับคิดจังหวะพระวกรกายเวจว้าโบเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งเศ้าพระพุทธเจ้าจับนั่นจับนี้เป็นคนสำหรับไช้พระพุทธเจ้าอยู่เนานๆเ น, น, นีพระกัิกะลิกในสุริยวะมึงจะมาอยู่กับกูนี่วันนั้นก็ได้นะหนีไปหนีไปให้พ้พระบักกะลิกหนีไปเลยจะไปโตนเหวตายพอดีพระพุทธเจ้าก็ไปพระบกลิก เ, เข้าใจว่า น, นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงมาเสียงนี้แล้วญาติโยมคนกรุงเทพฟังจะไม่ถนัดเลยฟังหลายเพื่อคุ้นหูเข้าใจได้ ก็เข้าใจอันนั้นแหละเป็นพระบริเจ้าทําไมจะไปตายทําไมเพราะเสียใจพระบริเจ้าไม่ให้อยู่ด้วยไม่ให้อยู่ใกล้เทปอย่างนี้ก็เลยอพระบากระลิกเข้าใจนี้เป็นพระบริเจ้าตีเข้าใจอย่างนั้นนีเข้าใจอย่าางเข้ใจว่ารูปเนี่หนังอันนี้เป็นพระบริเจ้าไปอย่ังพระบริเจ้าว่าอันนี้ไม่ใช่พระบริเจ้าตายเป็นไม้ตายเป็นตายแล้วเน่าเหม็นเป็นไม้ตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นพระบากระลิกตายเป็นไห้ตายเป็นเน่าเหม็นเป็น คันถ้าคือการคิดเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไหมเนี่ยฟังไม่โูกเลยแต่พวกเราก็เลยมาแปะว่าพระพุทธเจ้าในภพกระลิกหนีก็ย่างเป็นหวงพ่อก็เมรู้นะเ น, นี่ยหลวงพวกเราเองนะพระพุทธเจ้าว่าความคิดปรุงแต่งหนีไปให้คนคมคิดอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นมันคิดไปมันไม่มีเรื่องเลหนีไปเอาทิ่งไปอิว่าอย่านก็ได้เลยหนีไปให้คนคมคิดท่นานเลยอันนี้เราไม่ยอมห น, นีมาคิดเรื่องอันนั้นคิดเรื่องอันนี้เรารู้อันนั้น แล้วมันไม่หนีจากผมคิดแบบก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยคนใดไม่เห็นธรรมคนนั้นมันเห็นพระพุทธเจ้าเยจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ซึ่งว่าไม่เห็นพระพุทธคือไม่เห็นธรรมนั่นเองเราไม่เห็นอันนี้เลยอันนี้เลยธรรมอันนี้เป็นธรรมส่วนเปลือกมันอนคาว่าส่วนเปลือกต้งเส้นตรงเขาพูดโบกปากไปส่วนเปลือกมันเอาสมมติเราจะกินต้มเสียหวานเนี่ยปอกเปลือกที่มีุณตัวเนี่ยจะกินในมันเนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดเอาไม่ใช่พูดจริงพูดจริงเอาสมมติให้ดูเนี่ย เรืมันไม่เป็นจริงเอาจิ้ไในเอั น, น, อ น, น, น, น, อ น, นความคิดบ้าๆบอๆอันนั้นมันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันความคิดไม่รู้เนี่ยอันนั้นบอรอภิษฐาความคิดปิดบังเราเราอยู่ในถ้ำคนมันไม่เห็นรูปทรงของถ้ำเนี่เมื่อเราออกจากความคิดไม่ได้เราจะไม่รู้รูปทร ง, งของความคิดเลยเมื่อเราออกจากความคิดได้เ ม, มือ่อใดนั่นแหละเราเห็นรูปทรงของความคิด มันคิดอย่างนั้นโอ้มันคิดแล้วอันนี้แปลว่าหนูหนูตัวยาสอแมวตัวใหญ่แล้วหนูออกมาปุ๊บจับอย่างแรงหนูก็ตายคาที่เลยพอได้หนูออกมาแมวจับปุ๊บตายคาที่เลยแกมันไม่กินแมวไม่กินหนูก็ต้องจับเพราะมันตรงกันข้ามเนี่ยเรื่องความรู้อันนี้กับความคิดอันนั้นมันตรงกันข้ามอยู่เสมอหลวงพ่อเปรียบให้ฟังคือคนสองคนนอนเหียงกันนะที่คนนี้พลิกขิงปั๊บคนนั้ก็รู้ทันทีคนนี้พลิกขิงถนน ความเลวของผมรู้ตัวนี้จริงว่าเลวเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวจริงว่าสามารถที่จะไปใช้กับการทํางานได้ทุกวิธีเลยพระพุทธเจสอนคนผู้ที่ไม่รู้นั่นแหละให้รู้ท่านเองคนทุ่ที่รู้แล้วไม่ต้องเรียนก็นได้แต่ว่าอันรู้แบบที่ว่าได้ปริญายเอกบอกหรือประโยคเก้าเนี่ยทุกแทศจาลอันนั้นไม่ใช่รู้อมไม่ใช่รู้แบบที่พระพุทธเจ้ารู้แต่มันรู้แบบนั้น สัญญาแบบนั้นไม่ได้เป็นสัญญาแบบสัญญาพระพุทธเจ้าสัญญานี่ให้เข้าใจจริงๆริงจริงว่ามันไม่มีตสวจกับมาขี้ให้เป็นเส้นเป็นสายเหมือนแผนที่มันไม่ได้ถ้าคนไม่รู้ฟังไม่เข้าใจถ้าคนรู้ฟังอึดใจเดียวเข้าใจเลยคนมีปัญญาจะะิตว่ารูปในแต่ร่างกายนี่เวทนาคือสวย อ, รอารมณ์เราเลยสัญญาคือจําได้สังขารคือปรุงวิญญาณคือรู้เนี่ยเราพูดได้ เรียกว่า <weet> ต <Smash and cookies> ัวสัญญาตัวนี้เนี่ยให้เข้าใจจริงๆคิดมือขึ้นรู้อันนั้นแหละสัญญาสัญญาเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยเป็นสัญญาจริงๆแบบนี้สัญญามาจากธรรมชาตจริงๆเมื่อสัญญานี้มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าญาณแบบนี้งาณก็เข้าไปรู้แบบนี้อันนี้สัญญาเนี่มันรู้เป็นงานยังไม่ใช่เป็นงานเแค่เป็นงานนั่นแหละปัญญานั่นแหละเรียว่ามันเรียกว่าสัญญาสัญญาคลิกรู้พอได้คิดปุ๊บรู้เนี่ยสัญญา บ้านี้ความเลวของญานมันเลยกับปัญญาเนี่ยมันเลยพอดีปุ๊บมันอันเดียวกันมันเข้าไปรู้แสดงครับแมวจับหนูปุ๊บจับตายเลยปุ๊บจับตายเลยปุ๊บจับตายเลยไอเที่อันนี้เดียววิญญาณกับสัญญากับปัญญาเนี่ยมันลอบรู้มันลอบรู้อยู่เสมอเนี่ยพูดคําเดียวเท่านี้ก็ทั้งวันจะไม่จบเลยถ้าจะพูดแยกแยกเลยแต่ว่าคนมันไม่รู้เนี่ยจะพูดยังไงเพราะคนจะทันต้อนให้คนรู้จริงๆแต่เรื่องโทสะโมหะโลภ มันไม่ได้มีที่เราในขณะมันเกิดขึ้นมานั่นว่าเรามีโทรว่าเรามีสัญญาไม่ใช่มีสัญญาไม่มีสัญญาเลยแต่มันมีสัญญามันมีมีผมโกอยู่เนี่ยออมีสัญญาแบบโกดไมได่มีสัญญาแบบเห็นมีสัญญาแบบเี็นจีว่านักมวยเนี่ยไม่ใช่ได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะเรียนจากครูมีได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะขึ้นในเวทีซกเท่านั้นเองพวกเรามาปฏิบัติธรรมะอยู่นี่ก็เช่นกันถ้าไปครูอยู่แล้วไม่ได้ศกเลย มีแต่เขาน็อกเขาหัวตีดินอยู่คนละเหนื่อยหน้าขึ้นมาเขาซกเอาเอ้ยไม่มีโอกาสที่จะพูดบัดนี้เอาใครจะมาพูดเราเงียบซกมันปุ๊บมันที่จะมาอยากคุยก็ซกแล้วใส้หลุมตาแล้วไม่ต้องพูะไม่ต้องพุดไม่ต้องพูดซกใส่หลุมตาผลนที่สุดมันก็อยู่คนเดียวได้เลยอันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปหาคนคุยทานั้นทานี้ฟังอันนั้นเนี่ยสัญญาไม่มีแล้วคือไม่มีสัญญาอันนี้แต่ว่ามีสัญญาแบบนั้นจริว่า สัญญาคําเดียวเนี่ยสงบคําเดียวเนี่ยสันติคําเยน็นมันแปลหลายอันที่วะเรานึกถึงอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยวะในประเทศติเดียมีร้อยแปดลั108ทธิร้อยแปดนิกายร้อยแปดอาจารย์แล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิทีไหมถ้าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิเขาก็ต้องเลิกของเขามาศึกษากับพระพุทธเจ้าจิงจริงไหมเรื่องนี้อ่ หลวงพ่อเขาเ้าใจว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะไม่มาเรียนพระพุทธเจ้าก็ได้เรียนมาจากเขาแล้วบอรเนี่ยเพราะได้สมาบั 8, ดแปดทุนอาจารย์สอนเออพวกเธอมันด้านมันเป็นหน้าด้านกันเลยพูดให้ฟังเลยมันไม่เข้าใจเขาก็ถือยึดอันั้นนี่ว่าลืมข่มหลังซิลืมข่มหลังซิตั้งฟังเอาคติสติหรือจีวะอย่างไรตั้งฟังเอาคําใหมาคือคติเตือนใจใหม่ๆนี้อย่าไปเอาคติเตือนใจเข่าเก่านั้น เพิ่งว่าลืมความหลังมาทําความคิดใหม่ๆขึ้นมาความคิดใหม่ๆไปอย่างอันรู้สึกตัวนี่แหละมันไม่ใช่ของไม่นะเรื่ของเก้าจริงๆนะอันเนี้ยเพ่อพระพุทธเจ้าสอสอนมาแล้วว่าให้มีสติกําหนดรู้เนี่ยเราก็เลยไม่มีสติกําหนดรู้อันนี้โยศสัญญาตัวนั้นจื้อไม่มีมันรู้รู้แบบม่มีสติรู้แต่มันรู้แบบนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นสัญญาตัวนี้สัญญาตัวนี้กับสัญญาตัวนั้นคําพูดคําเดียวกันที่ว่า วิชาแปลว่าไม่รู้วิชาแปลว่ารู้พวก108ลอยแปลละทิไม่เห็นด้วยเป็นมิจฉาทิฐิไม่เรียนอเอาของเราเลยอันนี้แหละคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้เราต้องรู้เราดีเหนือคนอื่นเลยตน่ง แ, แทนอยู่ที่ลี้รับคนอื่นมองไม่เห็นเราต้องเห็นทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้ให้ครบจบท้วนี่ว่าให้รู้จั ก, จกสมมุติจริงๆสมญญมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติ อันดีบัญญัติบัญญัติขึ้นมาโดยวิธีนายดาวสองรู้ในพระปิกษันสอนอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นเชนั้นะไม่มีโอกาสเลยเราเดินเยียกว่าเราลงเรือไปในทะเลเรือแตกปุ๊บลงไปน้ําลึกคนใดมีแรงจมลงไปพอ ด, ดียันขึ้นมาแรงๆรงิดนา้าคนใดบุมีแรงจมปุ๊บลงไปยันขึ้นมาน้ามไม่พ้นหัวเลยดํามืดอยู่คนเนี้ย ตายคาทีเลยคนนั้นนะพอดีตกน้ำตูมตายเลยมันเป็นอย่างนะั้นคนที่มีแรงจมลงไปปุ๊บยันขึ้นมาแรงๆน้าเพียงคอมองเห็นตะฟังโอ้ทางพุ่นตะฟังลอยไปบางทีไม่ถึงตะฟังตายก็มีนะนี่บัด น, นี้คนที่เรียกว่าสมมุติเอานะเรือไปแตกะใกล้ๆตะฟังแตกปุ๊บนู่นเนี่ยน้ําพอท่วมหลังเท้าเนี่ยเดินได้สบายแล้วน้ําเพียงคอกับน้ําท่วมหัวกับน้าเพียงเท้านี่ใครจะสบายกว่ากัน ก็น้ําพอเพียงเท่านี้สบายแล้วนีคนที่อยู่บนบกแล้วเนี่ยกับคนที่อยู่ใน น, น้ำใครจะสบายกว่ากั น, นกักสู้คนนั่งสบายอยู่บนบกมาได้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องทําเราต้องทําไม่ทําไม่ได้นี่แหละทางเอกแทกคนแจลูกเอกเทศอันเนี้ยให้แล้วทานก็ชี้ไปแล้วคนแจก่กให้ไปแล้วรู้สึกตัวยกมาอย่างนี้วิธีวิธีที่เป็นคนแก่สมมุตินะวิธีคลิกมือขึ้นเป็นคนแจ วิธีไว้ตัวเองเป็นกุญแจวิธียืนขึ้นเป็นกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจลูกเอกคนใดปะกุญแจเิ่งกุญแจแล้วก็ลืมกุญแจก็เป็นสนิมไปไขเทียวหน้าครับไม่อยากออกดีแล้วถ้าคนไหนรักษากุญแจดีไว้มันผัดมันล้างากุญแจก็ไม่เป็นสนิมซุกเข้าไปแป๊บไขออกเลยของที่มันข่้วอยู่ครูบาบอกหรือครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนจับตัวนี้นมันยังหายขึ้นมาอย่างนี้นแล้วก็รู้จักวิธีจับแล้วเป็นี้ บนันนไดของที่มันปิดจ้ะเนี่ยหมาเกี่ยวมาทางนี้อย่าไปหันทังโ น, น้นหันทางโน้นจะแน่งเข้าหันมาทางนี้มันก็ออกได้ทุกคนดังนั้นเราไม่เสื่อมสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราปฏิเสธพระพุทธเจ้าทําไมปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อย่างที่นักบวชอุปการเซรกนันเองปฏิเสธพระพุทธเจ้าคนไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากผู้สนใจจริงๆแล้วรับรองได้ไม่เกินสามปีทําจริงทําจังนะพวกเราเรียนหนังสือเนี่ย ตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกใ่กีป่ปีเรียนจากมหกก่จะได้มหาอ่าเป็นปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกีป่ปีอย่างน้อยต้องกีป่ปีอ่ะกี่ปีหกปีสิสิบหกปีพุ่นสิบหกปีพุ่นอาจารมากาา็มาทําจากสามปีแล้วไปเรียนจากยี่สิบปีก็สบายทุกไม่มีแล้วเดีอยวที่ไหนก็สบายแล้ยบันนี้พวกเรียนนักธรรมเอานักธรรมเอกไม่กี่ปีอ่ ะ, ออะถาม สามปีสามปีพุนะ่นน่ยยังทุกข์แคบจะตายไปเราเนี่ยเรียนบาลีได้เป็นมหาประโยคเรียนติดมหามีกี่คนเนะี่ยมหาเอ้อกี่ปีจะได้เป็นมหาสา ป, สาปีสามปีเอสาสามปีทอนนักธรรมเอกเองประโยชน์สามสามปีอ้าถ้าประโยชน์สี่ไปใช่หมเนี่ยคนเนี้มันเป็นมตอนนั้นอันนี้สามปีหนึ่งทุนเรียนเนี่ยเรียนประโยคนเก้าเรียงทุกกระ บ, บี่อาตมาเห็นยังมีข้อสงสัยก็มี เลียงจบเป็น ย, ย่เอกแลยังมีข้อสงสัยอยู่ก็มีทําไมเป็นอย่างนั้นจะถือว่าคนมีสัญญาไหมไม่มีสัญญาแต่มีสัญญาแบบนั้นสัญญาที่พระพรุทธสอนจริงๆไม่มีเลยดังนั้นพวกเรามาที่นี่จ้องอกระโจนน้ําลงไปเนี่ยเทียงแอวแต่น้ามันแรงนะน้ํามันไหลเชี่ยวเดินอย่างไม่ได้จะได้ลุยไปลอยไปบันนี้เราต้องไม่เอาแบบนั้นเลือเราแต่กลางวังสมมุติน้ําเพียงหัวเข้านี่ก็ได้เดือแคงก็ได้ ไหลไปแต่ก็ไม่ไม่เสียน้ําเสี้ยวไปแต่ก็ไม่เสียเราจะยายประด้สบายมันเป็นอย่างไ น, นดังนั้นเราต้องดูคมเคลื่ อ, อนไหวของเรามันคิดปุ๊บทิ้งไปเลยคิดปุ๊บเองมาหยุดการเคลื่อนไหวนี่เองไม่ยากอันเนี่ยแต่มันยากนะวาง่าเราทําไม่ได้แต่คนขี้เกียจมันต้องเป็นอย่ังไงกันสบายโอ๊ยทําอย่างนั้ น, ม, น, น, นมันจะได้ทํายเอพระพุทธเจ้าสอนเป็นความพระพเจ้าสอนมาตั้งหลายปีมันเป็นอยังไงมันเข้าใจไปไหมเข้าใจไม่ตรง เปดียวก็ถามหลวงพเคยถามเอาถามคุณโตก็ไดค <30. S 1> ค้คุณตัวอายุกี่ปีแล้วพ่อคุณโตแม่คุณโตสอนคําแรกที่สุดจําได้ไหมเนี่ยเกือบสามสิบเอตรู้จักจำมาได้คนนั้นยังไปถามว่าจํำซาดได้เกิดจันนั้นมันโกหกกันขนาดอย่างหนะักจริงๆแม้เกือบสามสิบปีไปยังจําไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วคนจะไปจําได้สาดแล้วซาดหลังทําไมอันนั้นแหละคนมันเสือไปอย่างที่ไม่หาเหตุหาผลจริงๆ โอ้แย่จังถ้พูดแล้วมันแย่มันอยากมีเลข ด, ดิคนโกหกเท่านั้นเองจ้ะเครื่องหลางของของังกระตุดมณิยนของที่ดีมีไว้ให้ใครมีไว้หลอกสําหรับคนโง่ันว่าคนโง่เครียดมีไว้ลอกสําหรับคนไม่รู้แขนนั้นแกโ ง, ง่ก็ไม่รู้อันเดียวกันคนไม่รู้จิ้งเฟียดอย่างนั้นคนรู้เลยไม่ต้องเชียรเลยนี่แหละท่านไร่ดังนั้นที่ให้พ่อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยิดสะกิดใจในวันนี้ก็เป็นว่าสมควรแล้วก็ขออยู่แต่เสียงแค่นี้อ่ะ มลค่ขาดอกกากันได้ครับจะจัดเข้าในการสั่นวันนี้เป็นวันที่สามละเป็นวันที่สี่ของงานแต่วันที่สามวันนี้เป็นวันเสาร์แต่เราเปิดอบรมกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่สามสิบ ตอนเย็นวันที่สามสิบเอ็ดก็ลงมือทํากันมาวันที่หนึ่งสองสามได้สี่วันกับวันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าลูบล้างหรือลอยลาวที่ไหนแล้วก็พยายามอุดยากันเข้าไม่อยากให้มันแทรกซึมไปเพราะเราต้องการให้เป็นของที่สดสดหรือว่าสดสวยงดงามว่าจะนั่งก็ได้หรือว่าเป็นของที่สดสดของที่สดสดก็เป็นของดีนั่นเอง ของที่มันเป็นรอยร้าวเราพยายามปุยยาเข้าไม่ให้มันมีการแทรกซึมมันก็จะดีขึ้นตามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดอกไม้ที่ต่างสีถ้าหักเส้นได้ดีและจ้างนหนสร้างมาสลับสีก็น่าดูน่าชมอย่างที่พวกเราจัดกันเป็นถันเป็นแถวเป็นพักเป็นพวกไม่ปราปนกันก็นก หมายถึงว่าเราจะจัดให้มันเข้ารูปเข้าลอยเป็นอย่างนั้นมันเมื่อจัดเข้ารูปเข้าลอยกันน่าดูน่าชมไม่ประบนกันมากเกินไปวันนี้ดอกไม้ที่ต่างสีทาเส้นได้ไม่ดีนายสร้างก็สลับสีจับโน้นจับนี้ดึงขึ้นมากระขาดปุ๊บไปเลยก็มีวันที่จะหายได้ที่้อยลาวหรือว่ามันแทรกซึมเหล่านั้นก็ เลยเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาดังนั้นวันนี้ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมาก็พยายามปฏิรูปมาจนถึงวันที่สามวันนี้รู้สึกว่าดีมากความดีนั้นไม่มีใครทำให้เราเลยเราทำเองการมีหูสำหรับฟังการมีตาสำหรับดูดูอะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเราก็ต้องดูได้ เ ร, เราแก้ไขปัญหาตัวเองการมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาวิธีนี้จึิงว่าไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั่งนิ่งนิ่งและไม่เกี่ยวข้องกับการนั่งหลับตาตาสําหรับดูหูสําหรับฟังเราใจเห็นด้วยตาเราเองเราได้ยินด้วยหูเราเองเราไปต้องนั่งนิ่งนิ่งคันว่าไม่นั่งนิ่งนิ่งเราจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มันเหนื่อยเราก็ไปมา เคลื่อนไหวโดยวิธีเขาตามเราก็ต้องมองดูว่าสภาพการเคลื่อนไหวนี่จะนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้คนเมื่อหยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนหยุดนิ่งก็หมดลมหายใจก็ต้องตายทีเมื่อมีลมหายใจยุก็ต้องมีการเคลื่อนไหวจับน้นจับนี้ดูนั่นดูนี้ฟังน้นฟังนี้ศึกษากับธรรมชาติมาจริงๆธรรมชาติมันมีให้เราศึกษากับมันจริงๆ แต่เราลืมนะช่ลืมธรรมชาติมันใชก็เลยไปศึกษาแบบใหม่ไปที่เราไปศึกษาแบบใหม่นั้นเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเรื่องผู้สอนใครมีความรู้อะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนศาสตร์นะจึงไปว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเป็นอย่างนั้นดังนั้นสําหรับวัสนามไหนการเปิดอบรมครั้งนี้ก็ต้องสอนวิธีนี้เพราะเราลก รักไม่ใช่รักเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวหนะลักงานรักงานรักหน้าที่หน้าที่ของเรามีอะไรต้องพยายามทำให้สิ่งนั้นลุกลวงไปได้เดียว่าหลักการรักงานเมื่อเราไม่รักการรักงา น, ก, งานการงานก็จะคามือเราไว้ไม่เสร็จไม่สิ้นเป็นเพาะว่าพวกก็ตามมาเรียนงานทางโลกหน้าที่หลงพ่อพูดเนี่ยเราไปทํางานห้างร้านบริษัทหรือคนทํางาน อของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันงานหน้าที่จะเสร็จวันนี้เอาพวกนี้จึงทํามันค้างไว้เมื่อต่อมาครั้งหน้างานครั้งหน้าก็มีมาก็เลยค้างเลยความทุกข์ความสับส น, นวุ่นวายก็ตามมาเมื่อผู้ใหญ่ติเตียนบันนี้แล้วก็หาว่าผู้ใหญ่ดุเราเสียแล้วมันนีเป็นอย่างนะแต่ความจริงผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนดุเขาดูดูเราทำงานดีไหมหรือไม่ดีเหมาะสมกับงานหรื อ, รอยังไปสมัครงานนะ่ะ เมื่อเราไปสมัครงานนั่นน่ะเขาเห็นว่าเรามีความรู้เขาจึงรับเอาไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้แล้วก็เรียนมาแล้วเนี่ยเป็นยางไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังเพราะหลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสือไม่รู้ในอักคระพยนะันตนะอย่างนั้นอย่างนี้หลวรพ่อไม่รู้มีแต่การเปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นเองดังนั้นเรามาปฏิบัติที่แรกก็ต้องขูข่ขากันจับน้นจับนี้ สับสนปนเปกันเป็นธรรมดาก็ต้องให้อภัยกันบ้างบัดนี้ก็ต้องพยายามจัดให้เป็นแถวอยู่ฝักอยู่ฝ่ายกันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อเราจัดระเบียบเรียบร้อยจนคนหน้าดูหน้าสมคนอื่นมาเห็นก็หน้าดูหน้าสมแม้วสนามไหนแม้ตลอดการสันขอนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสันเสร็จไปแล้วก็ทําธุระหน้าที่ของใครของเรากระมัง ใครกระลำมังเรากระลำมังไผ่กระลำมังเราว่าสั้นหลวงพ่อวาดมันมันจะลงเลยจานตักเข้าเนี่ยของไผ่ของเราจับไปล้างแล้วก็เก็บไว้เป็นจัดเป็นส่วนอะไรน่งผู้ยิงก็ไปล้างทางนึงผู้ใส่เขาไปล้างทางหนึ่ ง, ง, ง, งบวกให้ปนกันเม่อการนั่งสันเข้ากับบอยากให้ปนกันกี่วันมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อต่อไปเที่ยวหน้าเที่ยวหลัง <c oughs> ก็จะจัดเนื้อถึงการนุง่งการนุ่งไปจะจัดให้เป็นรืเรียบขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อฟื้นฟูความเป็นไทย ปู่ย่าตายายของเราเคยสอนเรื่องอะไรนุ่งยังไงนอนยังไงผ้าถุงยังไงเสื้อยังไงผ้าเบ่งเราอย่างไงเราพยายามฟื้นฟูเอาหลักเดิมของเราอันนักขควรเป็นไทยเนี่ยมันไม่เป็นไทยแท้เด็ดนี้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปขอมเป็นไทยจืดยังเหลือน้อยที่สุดใ น, ก า, น, ก, า น, นการนุ่งการนอนการนั่งก็คลายๆคือจ เกือบจะหมดไปแล้วในปี น, นั้นอันนี้ขออภัยพูดให้ฟังตรงๆนะเพราะว่าไหนๆเราก็จะพูดกันแล้วนะแต่จะขออภัยก็ได้ไม่ขออภัยก็ได้บ้านหลวงพ่อยังมีความเป็นไทยอยู่มากเป็นความประเพณีอยู่มากผู้หญิงต้องนั่งผระเพียบใส่ผ้าถงุงอย่างบ้านหลวงพ่อไม่ค่อยนมงกางเกงนุ่งน้อยแกสมัยหลวงพ่อมาสอนทําอิดผ้าถุงทางนั้นกางเกงไม่ค่อยมีเดือวนี้มีกางเกงถล่มเข้าไปแล้วดินี่ เสื้อก็ไม่รู้จักว่าเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายการเก่งก็ไม่รู้จักว่าการเก่งผู้หญิงการเก่งผู้ชายเพราะไม่ป่าปนกันไปหมดเลยดี่นึกนเลยไม่รู้ราคาอันเดียวกันหมดเรื่องนี้จะนํามาเล่าสู่ฟังเนี่ยการนุ่งการถือบ้านหนวงพ่อจะเอาไปป่าปนกันไม่ได้เขาพูดกันแต่หลวงพ่อไม่ได้เห็นรสชาติเนี่ยบ้า น, นี้ภรรยากับสามีเนี่ยเวลานอนนะมีเรื่องอะไรก็ต้องนอนไปเป็นธรรมดานะบัานนี้เขามีหมอหลํามีหมอลําก็ อยากไปฟังลําด้วยเขาก็เลยเจับอผ้าถงผู้หญิงไปพาดบ่านึกว่าเป็นผ้า <c oughs> นึกว่าเป็นผ้าดีงวงเนี่ยเมื่อเขาในวงสังคมเขาก็ทวงเอา้าคุณเอาผ้าถุงผู้หญิงมาทำไมก็เลยอายพักพวกไปไปจับผ้าถงนั้นป้อมเข้าในตัวอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าปราปนมากเกินไปก็เลยใน่รู้อันนี้แหละเราต้องพยายาม พอแม่ปู่ยาตายายของเราผ้าถุงผู้หญิงเอาไว้ทางนี้ผ้าผู้สายเอาไว้ข้างนี้บ้านหนวงพ่อเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปนกันแล้วดิ๋ยนี้เครื่องใครเครื่องเราตัองก็น่าดูน่าสมจับก็ไม่หลงลืมกันเลยไม่หลงมันไม่สับสนปนเปกันเลยต่อมาเดี๋ยวนี้กับสับสนปนเปกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้อะไรกัเหมือนกันอันนี้เดี๋ยว่าความเป็นไทยของเราหมดนั่งประเพียบไม่ได้ผู้หญิงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่พวกเรานะมามาพูดให้ฟังนะนี่นั่งพระเพียบไม่ได้ บางคนก็นั่งเก้าอี้นี่เป็นยังงนั่งนั่งธรรมดาขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ย uh ินใครเล่าให้ฟ <c inhos> um <c oughs> ังหลวงพ่อจําไม่ได้เจ้าคุณพุทธธาตอยู่ส่วนโมกคุณฝรั่งมานั่งนั่งนั่งขัตธรรมาแต่นี้ไม่เป็นเนี่ยฝรั่งเขานั่งเก้าอี้เนี่ยจาเป็นเจ้าคุณพุทธธาตจําเป็นไม่ให้นั่งเก้าอี้ให้นั่งให้นั่งขัตธรรมาอยู่ฝรั่งมันล่องเอาเลยมันนั่งนั่งขธรรมาไม่ได้มันเคยนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้การบังคับให้นั่ง จำเป็นก็ต้องฝึกหัดกันไปหลายครั้งหลายหนอาจจะนั่งได้แต่หลวงพ่อไม่เห็นเพื่อนเราให้ฟังอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนไทยแท้ซืบอดำลงวงะกุลดำลิขึ้นมาให้มันได้พวกเราต้องพยายามฟื้นฟูเอายุคนี้สมัยนี้ถ้าหากไม่อย่างนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราแท้จะหมดไปเมื่อมันขนบธรรมนียมประเพณีของพ่อแม่ปู่ย่าหมดไปขูมเป็นไทยก็หมดไปจริงๆ เขาบอกความเป็นไทยในที่นี่ยต้องเป็นอิสระฟังกันให้ดีตอนนี้คําว่าอิสระไม่ใช่อยากทําอะไรทําไปตามใจชอบอยากพูดอะไรพูดไปตามใจชอบอันนั้นไม่ใช่คนเป็นไทยอันนั้นหบอกความเห็นแก่ตัวความเป็นไทยหมายถึงจิตใจดูเหนือความหลงผิดความเป็นไทยหมายถึงว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบความเป็นไทยหมายถึงจิตใจไม่สมอง จิตใจสุดซื้อเบิกบานคขูมเป็นไทยหมายถึงปิศาลาแท้เพราะว่ากิเลสมารบกวนไม่ได้เช่นโทสะโมหะโลภะกิเลตันหาอุปทานมารบกวนไม่ได้จึงขูมเป็นไทยแท้คขูมเป็นไทยจึงวะไม่เศร้าหมองขูมเป็นไทยจึงวะมีขูมสงบเรียกว่าสันติสันติเขาเรียกว่าขูมสงบดังนั้นขูมเป็นไทยก็จะค่อยตามมาตามมา ตามมาทีรนิดเพราะเราแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ที่เราแก้ไม่ได้ก็เพราะเราลืมความเป็นไทยไปจับเอาขนรรมเนียมประเพณีใครก็ไม่รู้เลยแล่นตามเขาไปเขาว่าอันนั้นดีก็วิ่งไปตามเขาเขาว่าอันนั้นดีก็วิ่งไปตามเขาผลที่สุดผลที่มันดีปูย่ย่าตายายเราสอนให้ก็เลยลืมไปบี้ถ้าลืมไปแล้วจะไปศึกษาที่ไหนบนเนี่ยมันก็เลยไม่มีที่ศึกษา เหมือนกันกันกนกบศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนาจริงๆแล้วในประเทศอินเดียก็หมดกันว่ามีแต่ระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่แล้วก็ไปจับอใบโพที่ใบโพว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นโพต้นนี้เนี่ยคนไทยไปก็เลยไปจับอเอาแต่ใบโพมาเอามาให้คนไทยทางนี้ดูพระสงองค์เจ้าก็เอาใบโพมา ไปอิเดียเขาไปจับบาเบโท่านั้นเองไม่ได้ไปฟื้นฟูเอาความจริงในหลักพระพุทธศาสนามาจริงๆอันนี้คือว่าเราก็ไม่รู้ต้นปลายสายเหตุเป็นมาอย่างไงไม่รู้เลยอันนี้หลวงพ่อไม่รู้แต่ว่าหลวงพ่อกับข้าขาดคิดเอาเพราะได้ยินเพื่อนเพื่อเล่าให้ฟังพระพุทธรูปนี่ก็พระพุทธเจ้าตายไปแล้วเขายังมาสร้างทำอาจารย์ทวิวัตรอาจารย์ทยร้อาให้ฟังใครใคมาสร้างอาจารย์ทวีวัตรพระพุทธรูปที่แรกที่สุด ไม่ใช่เป็นคนอินเดียนะแล้วคนพวกนั้นเขานับถือศาสนาอะไรนี่วันนี้เห็นมันเสื่อมเขาจะมาพยายามกลืนเราเขาต้องสร้างวันนี้คนไทยเห็นก็ต้องเห็นมันสวยมันงนามน็นำออกมาเต็มันก็ดีนะอาจจะมาไ ม, ไม่ได้ว่าไม่ไมดีอันนี้แหละแต่ว่าสร้างก็สร้างแต่เราอย่าลืมให้เรารู้ต้นตายสายเหตุมันมา ดังนั้นขูมเป็นไทยแท้บรรด์หมึดไปเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจจิตใจของเราเนี่ยทั้งจะทํำยังไงก็ตามเราต้องพยายามให้มันเหนือขูมทุกอย่าอยู่ด้วยทุกอย่ากินด้วยทุกอยานั่งด้วยทุกย่านอนด้วยทุกเมื่อกินด้วยทุกอยู่ด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปกับทุกเราจะทํำลายทุกไม่ได้เพราะทุกมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราแล้ว เมื่อเราอยู่ที่ไหนไม่มีทุกข์กินที่ไหนไม่มีทุกข์นอนที่ไหนไม่มีทุกข์ไปไหนไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์มันจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับแสงตะเวนเนี่ยทีแรกมันต้องมัวมันจะบ้านหลวงพขาเรตะเวนจะพ้นที่ฟ้าที่เมฆว่าสันมันขึ้นมาทีแรกมต้องมองไม่เห็นนานๆก็มองขึ้นมองพ้นขู่พ้นเขาขึ้นมามันก็มีความสว่างเต็มดวงเมื่อมันมีความสว่างเต็มดวงกับเหมือนกับจิตใจเราไม่ถูกสกปรก ไม่ถูกขุนมัวไม่เศร้ามองอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นะ่ะจิตใจไม่สุขบกจิตใจไม่ขุนมัวจิตใจไม่เศร้ามองไม่มีอันไดมารบ ก, กวนแต่เป็นบางคนนะแต่หนูพ่อก็ไม่ไม่ได้มองเห็นจิตใจตัวเองจะรู้ดีจิตใจเราเป็นยังไงนักสนะนี่แหละมันเป็นสมบัติเป็นไทยแท้เป็นอิสระแท้โทสะโมหะโลภเข้ามารบ ก, กวนไม่ได้จิตใจเราจะเป็นปกติความปกตินั่นแหละท่านว่าเงียบสงบ ถ้าไม่มีปกติก็ไม่มีเงียบไม่มีสงบเรามาศึกษาของจริงที่ว่าของจริงนั้นหนีจากของจริงไปไม่ได้ของจริงนั้นนศึกษาต้องรู้ไม่ใช่ว่าคนนั้นศึกษาได้คนนี้ศึกษาไม่ได้ศาสนาพูดจริงจะศึกษาได้ศาสนาคิดศึกษาไม่ได้ไม่อย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนกับที่ว่าถามตนเ้าหรือถามเมื่อไหร่ว่าคนเกิดมาทุกคนต้องตายตายแน่ทีเดียว อันนี้ก็เหมือนกันทุกคนต้องศึกษาได้ถ่าสนใจมันจริงๆแต่ความตายนั่นน่ะสนใจไม่สนใจก็ต้องตายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสนใจไม่สนใจก็มีอยู่แน่ทีเดียวคนท่าโกรธเกลียดจิตใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาสิบสองชั่วโมงตายเลยตายเลยมันก็มีโอกาสมีจังหวะมาให้เราสบายจากพักหนึ่งแค่เราไม่เคยรู้ว่าโอ้ความสบายความปกติ จิตใจไม่สมองจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดเพราะเรามองออกไปแต่ด้านนอกมองทางการถึงงานงงา น, นักศึกษาก็เช่นเดียวกันไม่ทัพจะพูดเป็นนักศึกษาไม่ทัพจะมารบกวนนะนี่พูดให้ฟังเมื่อศึกษาแล้วสอบไล่ได้แล้วจะไปสมัครงานที่ไหนไปสไปสมัครงานบริษัทใดเนี่ยหลวงพ่อพูดเปลี่ยนคำอยี่จะไปสมัครงานบริษัทไดเ น, น, พพดเ น, เนาะเขาจะจะรับนาะ จะ่ไปทำงานห้างร้านอะไรนาะจีไปทํางานตารวจทหารสิเนาะจะไปสมัครงานคิดไปเด่นอย่างนั้นเลยไม่ได้คานวณมาถึงตัวชีวิตจิตใจของเราจริงๆเมื่อเราคํานวณมาหาชีวิตจิตใจของเราจริงๆแปลว่าเร า, เรามาศึกษาของจริงเมื่อศึกษาของจริงแล้วงานก็ทําได้ไปสมัครงานบริษัทห้างร้านก็สมัครได้อันใดได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจริงว่าสอนให้ทุกคนศึกษาตัวเองดีพอแล้วไปทําการทํางาน อยู่ท hmm. um. ี it it ่ไหนโดยไม่เด mm. ือดร้อนนี่ว่าอยู่กับโลกไม่เป็นก้างของขอของโลกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกเนี่ยอยู่กับโลกไม่เป็นก้างของไม่เป็นก้างของขอให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพอนมันพูดยากเลยอยู่กับโลกบุมีก้างของขอกับโลกว่าอยู่เหนือโลกไม่ใช่อยู่สัญฟ้าพุ่นอยู่เหนืออารมณ์พักพวกตำแหนี่อยู่เหนืออารมณ์พักพวกสนับสนุนพนว่าอยู่เหนือโลกแค่คนมันยากอยู่ขี้ดินนี่เอง ไม่ใช่จีหเ์เหาะอยู่เท่านั้นนี่แหละคนไทยแท้จริงว่ะรู้จักไม่ใช่ว่าเกิดเมื่อนั้นซาร์นั้นเป็นนางซันซาร์นั้นเป็นนางซันเกิดมาล้อยซาร์พันซาร์แล้วารนั้นเป็นมหาเศษรษฐีซารนี้เป็นคนยากจนอย่างที่หนังสือเขาเล่าไปเป็นตำรับตำราอยู่กับตัวหนังสืออันนั้นเราฟังแล้วจำไวเ้เท่านันเมื่อมาพิจารณาแล้วจริงเพราะคนที่ยังไม่รู้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาเอาในมาลอกเราจะไปเอาง่ายๆทำไมได้เอา แต่เราไม่ต้องออกมาใช้แต่ใส้ในระยะ ส, สังคมเท่านั้นเมื่อนี้จากสังคมแล้วเราก็กลับมาใส้ของเดิมเราอันนี้ก็เช่นเดียวกับเขาพูดแล้วก็ฟังไปแต่เราจะไปเสื้อา calories, มาดูใจเราเท่านั้นเองใครจะจันได้เพียงเกิดเมื่อนั้นวันนี้ก็คนอื่นเราให้ฟังตัวหลวงพ่อนี่เองเนี่ยเกิดปีกุ้นอะไรสักแต่คนอื่นเราให้ฟังหลวงพ่อไม่รู้พ่อแม่เราให้ฟังวันอังคารอะไรพ่อแม่เราให้ฟังเดือนสิบอะไรสัพ่อแม่เราให้ฟังแต่หลวงพ่อไม่รู้ อันนี้ยไปจำศาสตรได้เกิดมาธรณิศาสตร์ธรณีศาสตร์อันนี้สํำหรับเราไม่เข้าใจเขาจะลอกเราไปทางนั้นวิญญาจะหลงอ๋ออยักดีคือเขาข่มจริงมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรือจะดีก็ได้ยังไงเครื่องรางของขังกระตุกมุนยังการเซกเตาเลือกงามยามดีมีไว้ลอกคนไม่รู้ว่าอย่างนี้ก็สบายใจเดยหนึ่งนะมีไว้ลอกคนโง่จนเจ็บตับขึ้นเลยีเดียวว่าเราโง่เนี่ย พูดเนี่ยหาว่าพูดไม่ทูกใจเถอะเครียดแล้ควรมจริงมันทูกใจเต็มทีแล้วเราไม่รู้จักใจไม่รู้จักหลุดไม่รู้จักหลีกนึ่นเองคนจะ่าคนอื่นพูดอะไไม่ถูกใจมันพูดหลงควรมจริงมันทูกใจที่สุดแล้วเกี่ยวว่าตําตึบแน่นอกแน่นใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักว่าถูกใจไม่ถูกใจพูดตามเขามาเท่านั้นเองดังนั้นคนที่พูดอะไรไม่ไม่ถูกใจนั่นคนนั้นพูดผิดหลวงพ่อพูดจริงจริงเอาสมบุรณ์หลวงพ่อจะจับอันนี้นะไม่ถูกมาก็ไม่ติดนี่ พอได้ทูกปุ๊บมันติดขึ้นมาทันทีเลยที่คนอื่นพูดให้มาเราไม่พอใจนะแย่กไปว่าไม่ถูกใจมันทูกใจเราแล้วสินะคิดทิ้มทันทีเลยท่านว่าอย่างนั้นอันนี้เราไปเสืออย่างที่ว่าสอนมาผิดคนทําก็ผิดสอนมาผิดคนฟังก็ผิ ด, ม า, ผ ด, ผดมาปฏิบัติก็ได้รับแต่ทุกเท่านั้นเองดังนั้นฟังให้ดีและนําไปปฏิบัติให้ดีฟังไม่ดีปฏิบัติไม่ดีได้แต่ทุกมาฟังดีปฏิบัติดีได้ความสุขมา ความสุขไม่ติดเป็นพื้นฐานดูในคนทุกคนไม่เลือกสั้นวันนะไม่เลือกศาสนาตระกูลจังพระพุทธเจ้าถึงว่าอันนิพพานหรือจิตใจสงบอันจิตใจเป็นปกติมีในคนและสัตว์ขออภัยนิดเดียวเธอไม่อภัยก็ตามต้องพูดเลยสุนัขนี่เวลมามันนอนมันนอนสบายอยู่ตุ่มหมาบ้านหลวงพระเลสตุม่มหมามันนอนสบายพอได้เสียงมูดังแงนักมันลืมตัวมันเลยวิ่งไปเลยบางทีไปซนคันกระมีเราเราเห็นด้วยตาเนี่ย หมาเ น, นี่ยมันแล่นไปหลายจากดชนกันต่ํากันบ้านหลวงพ่อเรียกว่าตำกันทั้งนี้ว่าชนกันอันนี้ก็เหมือนกันคนเนี่ยก็เหมือนกันมีคนมาพูดให้เราเราไม่ได้มองใจใเราเลยวิ่งไปเลยก็ตกากันเครึ่องทางนี่มันเป็นอย่างไ น, นตำกันคนใดไม่ดีก็โลมลงทั้นนั้นเองอันนี้จมวดแบ่งทางไว้เขามาข้างซ้ายเราต้องไปข้างหัวเขามาข้างขัวเราต้องหลบไปข้างซ้ายอย่าไปชนกันก็จิตใจก็สบายเท่านั้นเอง คนตัวอยู่เหนือโลกทํางานโดยไม่มีทุกข์ทันว่า ย, ยัางไงเดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกมันพุ่งใจพอได้ย่างไปก็ต่ํากันชนกันก็เลยมีบาดมีแผลขึ้นมามีรอยลวดลาวขึ้นมาไม่รู้จักกดไม่รู้จักยาคนเมื่อไม่รู้จักกดไม่รู้จักยาเรือมันก็แตกกลางวังผลที่สุดน้ำก็ พ้วมหัวหายใจแล้วก็ตายไปเลยหลวงพ่อจึงพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจว่ารีบภายเข้าไปใกล้ๆเตาฟังรีบภายไปคําว่าภายไปกับหมายถึงว่าเด็กจังหวะให้มากเดินจมกองให้มากหลวงพ่อว่าอย่างสรนะคุณหมายเด็กจังหวะให้มากเดินจมกองให้มากให้มันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจญา่าไปโรเลคนอื่นจะเล่นก่อสร้างเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทําคมรู้สึกตัวเท่านั้นมันคิดปุ๊บอ่ะแล้วไปเรียกวอาณาตาอย่างทันอยันวัยทุก ต้องกำหนดรู้มากําหนดตัวรู้อันนี้นี่แหละสมมทัยต้องละมันขึ้นมาปุ๊บเรามาทําตัวนี้จังหวะมันจะวางของคิดมันเกิดเลยไม่ได้ปรุงไปเลยมักต้องจเจริญทํามากๆนี่โลดทําให้เจ็บจะรู้ได้ทุกคนไม่ยกเว้นเลยเรื่องนี้เพราะมันมีในคนถ้าหากคนรู้ไม่ได้จะมาสอนทําไมอย่างเที่ยวชิวซาดได้หลวงเพราะว่ามันคงจะไม่มีคนอื่นยังจำไม่ได้แค่ว่ามีแต่สําหรับคนผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นเองถ้าคนสลาดแล้วเขาจะไม่ฝังเสียเพราะเรื่องนั้นเขาจะทําได้เพราะมันไม่มีนี่ แง่ไปยังเนี้ ย, ยพระพุทธเจ้าหรือใครพูดมันยังวะพูดอวดอุตลีมนุษย์นะ้าคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนเนี่ยขาดจากควมเป็นทิ่สูงทันวะอย่างนีน้เพราะว่าคนที่มันไม่สลาดมันเสื้อฟังเอาแล้วไปลอกเขาเ้าไปเนี่ยคนจําเป็นจัง ว, ว่าทํากับเขาจัางวะทำเราใดเป็นไปเพื่อควมเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นธรรมนั้นไม่ใช่เป็นวินัย นั่นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าศึกษาและไม่น่าเอามาปฏิบัติเนี่ยชั้นสอนอย่างนี้ทำเราได้เป็นไปเพื่อควรไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติเอามาใช้ได้กับชีวิตของเราทุกคนไม่โกธรนเดี๋ยวนี้ควรศึกษาอันนี้เป็นของจริงแท้โดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นคงที่ถาวร อ, อยู่ตลอดเวลาถึงจะมีพระพุทธเจ้ามารู้ก็มีอยู่ตอนนี้ ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตั้งทะลุก็มีอยู่ในพระวั่าธรรมะจึงมีก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบในประเทศอินเดียท่านยังสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นแล้วยิงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่หันบอกให้อยาสุไ ป, ป น, นั่งหลับตานะให้จังหวะแรงๆนะโอ้เฮ็ดโบได้เจ็บแขน น, น, นี่ยนั่นนะโอเฮ็ดโบได้เท่านั้นเองเฮ็ดสติกรได้บอกครับ คัดได้ว่าจะขัดใจไม่ได้จะขัดใจไม่ได้เพราะว่าชอบอย่างนั้นจริงว่าเราต้องตั้งหน้าตั้งตาทํากันจริงจรจังๆทายเรือแล้วเข้าไปให้มันใกล้ฟังเข้าอย่าช่วให้เรือหันแตกพอดีเรือจะแตกปั๊บโดดออกเรือเราขึ้นไปยืนแต่ฟังอย่างสบายใจพราะเรารู้จักวิธีอันนั้นแหละสมาธิแท้เพราะเราเห็นใจเราคนอื่นจะมาลู่ดีกว่าเราไม่ได้หลวงพ่ออยากย้ําเรื่องนี้ให้มากนะเพราะว่า คนพูดเรื่องสมาธิกันมากสมาธิิเราเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องน่ะแท้ตำหนิเราอยู่ที่มือที่รับแต่เราเห็นทั้งหมดเลยจิตใจเราเป็นยังไงเราเห็นทั้งหมดเลยอันนี้ว่าสมาธิิฐเห็นถูกต้องเห็นชอบเลยเห็นชอบจริงๆถ้าจะไปเห็นสารแล้วเกิดอันนั้นสารนั้นเกิดนั้นอ่ะไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นของจริงแล้วใครจะสามารถเห็นได้อันนั้นแกตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าพูดอุตริเบนเนมนุษยธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ดีในตน ต้องอนุปัสมบันต้องประจิตีเพราะคนไม่รู้เขาไม่พอใจฟังพูดความจริงให้ฟังพวกเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อ น, นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควร้วเพราะว่าสัรกันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเป็นคนพูดมากหน่อยเพราะว่าจําเป็นก็อยากให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจฟังและตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพื่อเอาไปเป็นทรีตของเราที่สุดนี่ก็เอาหยุด แ, แค่นี้วันนี้ออกมีมนคู่เข้าแล้วก็กราบกันญยญงก็กราบพ่อ พ, อ, พอมันกันบ้